าการให้สินให้พรไม่ต้องแปลนะรู้กันอยู่แล้วตรงเนื้อหาคุณดันในช่วยแปลหน่อยได้ไหมสันส้นๆวันนดี้ท่านบอกว่าท่านจะเทศเรื่องเล็ดอิกโกจากเพลงประกอบหนังเรื่องฟรเซินใครจะแปลผูมาเนธูสิ่งก้น ก, นกติพระจันย์ขนขเขาเคจรบุตรสินดุเสเซน <c oughs> ภูเขาขึ้นชื่อเรื่องแปรเกินอยู่แล้วแปรเกินเนี่ยทุกปีความรู้ขยันเอาเลยเบื้องต้นจะขอให้พวกเราได้รับสินห้าก่อนทางนี้ทางนั้นพวกเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเออไปยังไงมายังไงเนาะชาวสวต ท, ท่านนี้ถึงได้มาบวชกับพระอาจารย์ เราภูมิหลังนิดหนึงว่าเจอกันปีแรกอืท่านไม่มีศาสนาหรอกะท่านมารับพระอาจารย์ตอนพระอาจารย์ไปเทศที่สวิสอท่านก็รับรับไปอย่างนั้นเองดูท่าจะไม่พอใจด้วยซ้ำท่านไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยแห่มาฟังเทศพระอาจารย์เยอะมากที่ยุโรปท่านก็เลยเรียกพระอาจารย์ว่าเซเล็ตมังค์ตอนแรกที่เจอกันท่านเรียกพระอาจารย์ว่าภูมวิสดาพระอาจารย์บอกไม่ใช่ทั้งสิ้น ฉันก็พระธรรมดาเนี่แหละอ <c oughs> ืจากความหม็นไส้ท่านก็เริ่มเริ่มศึกษา <c oughs> ศึกษาไปศึกษามาจ้ที่ไม่มีศาสนาตอนนี้เขามันลึกเลยเป็นพะซะเลยและนี่เป็นการบวชครั้งที่สองของท่านปีที่แล้วมาบวชหนึ่งเดือนอ <c oughs> ือยากจะเรียนรู้ปีนี้ท่านมาบวชสองเดือนและจะตามพระอาจารย์ไปอินเดียพรุ่งนี้ด้วยนี่พวกเราต้องเรียนรู้จากท่านนะ พวกเราเกิดมาก็เจอ <c oughs> พระพุทธศาสนาเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าก็ได้แต่ท่านกลับเห็นคุณค่าและ <c oughs> ไม่เพียงเห็นคุณค่าเมื่อท่านกลับไป <c oughs> ท่านเป็นหัวเรียวหัวแรงเอาคนสำคัญสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์มาปฏิบัติกับพระอาจารย์ท้ง <c oughs> ผู้ใหญ่ของสำนักข่าวรอยเตอร์ของสายการบินสวิสและก็เจ้าหน้าที่ของยูเอ WTO โน่นนี่นะมาเข้าคอร์สภาวนากับพระอาจารย์เยอะๆไปหมดหนึ่งคนเนี่ยจะรู้จะลวงโยุโรปได้มหาศาลท่านไม่ธรรมดาเพราะคนธรรมดาไม่มาทำอะไรเช่นนี้และเมื่อท่านกลับไปปีที่แล้วหลังลาสิกขาเมื่อท่านกลับถึงบ้านท่านไปกราบเท้ายมพ่อยอมแม่ยมพ่อยอมแ ม, ม, ม, แม่ท่านช็อกมากเพราะฝรั่งถือเรื่องพวกนี้ว่า ทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหม่ม า, านไปดึงท่านไปกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่พ่อแม่ช็อกชอกว่าทํำไมลูกฉันน่ะเพี้ยนได้ขนาดนี้อืม <c oughs> และมีอยู่วันหนึ่งมพระอาจารย์ไปจ่าคอร์สภาวนาบนยอดเขาพ่อแม่ท่านตัดสินใจอืสองตายาขับรถขึ้นเขาพลุลังพลุลังบลุลั ง, ปงไปไปดูว่าพระที่ทําให้ลูกเพี้ยนหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> พอไปเห็นตกใจที่พระอาจารย์หน้าเด็กกว่าลูกชายเขาอีกคิดว่าจะเป็นดวงตาแก่ๆ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่ช็อกและช็อกมากยิ่งขึ้นเ <c oughs> มื่อมองเข้าไปในห้องสมาธิเพราะว่ามีฝรั่งกว่าสิบคนที่นั่งสมาธิกันอยู่ร่วมกับลูกชายของเขาหลังจากวันนั้นพ่อแม่เลิกถามเพราะรู้แล้วว่ามีคนเพียงกว่าลูกฉันอีกเยอะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากที่ทุกวั น, นี้โลกตะวันตกกำลังสนใจไฟธรรมะกันมากๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็น่าจะได้ลองฟังธรรมะจากท่านสั้นๆแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ถามด้วยหลังท่านเทศจบจะให้ถามนะนะถามเสร็จแล้วก็จะให้ท่านพานั่งสมาธิเราต้องตั้งใจเรียนจากท่าน นะถ้ามัฝึกภาษาให้ดีก็จะได้เตือนตัวเองไว้ว่าสมนำหน้า <c oughs> แล้วก็จากนั้นพระอาจารย์ถึงมาสรุปตอนท้ายดีไหม เ, เพราะว่าตอนนี้พระอาจารย์ต้องการความอบอุ่นกินนั่งนั่งรถมามันเย็นเพราะมันเย็นมันไม่เป็นผลดีต่อเสียงเอาทัาพร้อมแล้วเราจะให้สินนะาจะให้สินให้พร้อมก่อน namo taza p a k a v a า o arahato sama, pak ara sama, pak ara sama s a m <c> ตั t a z a namo taza p a k a v a r a h a t s a m t a z a p a k a a r t o sama s a ขังสารนังคัจามีทามังสารนังคัจามิสังคังสารนังขจามิทุติยัมปีสุตังสารนังขจามิทุติยัมพีทามังสารนังขจามิ ทุติยัมปีสังขังสารนังคัจจามิทุติยัมปีสังขังสานังัจามิทติยัมปีพุทธังสารนังกัจามิทัติยัมพีพุทธังสานังกัจจามิทัติยัมปีธรรมังสารนังกัจามิติยัมปีธรรมังานังกัจจามิทติยัมปีสังขังสรนังคัจจามิ สารณากามา낭นิติทังปานติปตาเวรามณีสิกขาพทังสำนัติอามีปานติปตาเวรามณีสิกขาพทังสำนัติอามีทินทนาเวรามณีสิกขาพทังสำมิาม ามสูิชาชราเวรมสิกาปัตตังสมาธิอามิมุสาวาตเวรมสิกาปทังสมาธิามิมุสาวาเวรมสิกาปังสมาิามิสุรามยามัชฌปามาตถาเวรมสิกา พัดังสมาธิามิิมานีปัญจาสิกาพัานีสิเลนาสุจติยนติสิเลนาปกาสัมปทาสิเลนานิพพุติยนติ สัมมาสิลังสทย Okay. I will read a story for you. It's about detachment. Uh, a n d your uh, วพระอาจารย์ เราอ่านเรื่องราวให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีแท็กหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะไม่ยึดติดนะฮะก่อนอื่นผมขอขออภัยถ้าผมแปลอะไรตกบ้าง <Okay. S 1> เพราะวันนี้มาแบบอนิจจังมากคือคื อ, ค, อคือมาฟังนะครับ <laughs> แล้วก็เพิ่งได้รับสดๆเมื่อกี้นี้เองก็ดีเป็นการสอนว่าทุกอย่างไม่แน่นอนถ้าเกิดพี่นายใครเก่งๆมีอะไรจะเสริมหรือผมแปลตกหลน่นบอกได้เลยนะครับ <c oughs> uh, after we can Discuss about the meaning of t h s story is s t o r y i t s o i u s o u t of the b o o k s a n d f l e s h a n s d a n d b o n e s i i t s a v e r y f a m o u s b o o k a b o u t t h i s a n s d a n b u d d h i s m ครับเป็นหนังสือที่ดังมากๆเกี่ยวกับปรัชญาเซนทางพุทธนะครับโอเคทันซันและเอคิดโดว were once traveling together down a muddy road ทันซันแกนิคิโดแกิคิโดนะครับ uh, กลังเดินทางไปในถนนที่เลอะโคลนดินนะครับ a heavy rain was still falling มีฝนตกหนักอยู่ในขณะนั้น Coming around the bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable to cross the intersection. ที่ท่านเดินไปถึงทางโค้งเนี่ยท่านก็พบผู้หญิงคนนึงที่ใส่ิโมโนอยู่เนี่ยไม่สามารถจะข้ามถนนได้เนื่องจากมีโคลนตมนะครับ Come on, girl," said Tanzan at once. ผู้อาจารย์คันซันเอโดนะครับ ก็บอกว่าเฮ้ยข้ามเธอนะครับข้ามเลย lifting her in his arms he carried her over the m u a t นะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่ามาเดี๋ยวจะพาข้ามนะครับแล้วก็พาเธอข้ามไปโดยการแบกเธอข้ามไปนะครับ e c i d o d did not speak again until that night when they reached a lodging temple แล้วก็ท่านเอคิโดเนี่ยไม่ได้พูดอะไรจนไปถึงที่พักในคืนนั้นเลยนะฮะ Then he no longer could restrain himself แล้วท่านเอกิโดก็ไม่สามารถที่จะเก็บงำความข้องใจไว้ได้ต่อไปนะ We monks don't go near females he told t ่านซอนครับอขออภัยผมอาจจะแปลตกหล่นไปบ้างก็คือจริงๆมีพระสองคนนะฮะพอ ด, ดีเคยอ่านเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่ชอบมากโดยส่วนตัวคือพระสอ ง, ององค์เนี่ยเขาข้ามถนนใช่ไหมครับแล้วก็พระองค์หนึ่งเนี่ยแบกผู้หญิงข้าม อีกองคหนึ่งเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าไปจับผู้หญิงได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็พอไปถึงที่บักเนี่ยพระองค์ที่ไม่ได้แบกก็เลยเหมือนกับเฮ้ยท่านทำผิดนะท่านไปแตะต้องตัวผู้หญิงเนี่ย uh, am Especially not young not and lovely ones โดยเฉพาะถ้าผู้หญิงคนนั้นทั้ง uh, เด็กนะครับสาวแล้วก็สวยด้วย It is dangerous. มันอันตรายมากนะ Why did you do that? ทอย่างนั้นทไม I left the girl there, said Thansan. ท่านธันสารเนี่ยก็บอกท่านเอิโดว่าข้าได้วางผู้หญิงคนนั้นลงแล้ว Are you still carrying her? แล้วท่านยังแบกผู้หญิงคนนั้นไว้ทไม So, this story is a very good example for detachment. w h v e n y o u k e e p s o h m e n t h i y o e e n s g o m e t h i g n i y o u r m n i y o r m n i d n i d t w i l l o t n l i y o h u n r y t y o u h r s t y o e l r s f e s o f e t a i s i d o h e h a s t h i s o t e h i o u d o h e h a g s t h t i s a l l t h e t i o m e g h t a t h e t i m e He was disturbed all the time. He was only thinking about this. เ u ราะฉะนั้นพระเอจิโเนี่ยพระคนที่ไม่ได้ไปแบกหญิงสาวแต่ว่าไปถามนะครับพระองค์ว่าท่านไปแบกเธอทาไมคนนั้นแหละคือคนที่กำลังแบกหญิงสาวอยู่ตลอดและรู้สึกหนักอยู่ตลอดนะครับ But t a n s o n he just helped someone and after it was gone. แต่ท่านทสาเนี่ยท่านยกผู้หญิงคนนั้นนะครับช่วยเธอข้าม ถนนที่มีโคลนตมแล้วท่านก็วางเธอลงไม่ได้เก็บเธอไว้แบกเธอไว้ในใจต่อไป so he just do it and let it go ท่านทำแล้วท่านก็วางนะครับ any questions <laughs> ถามมีไหมครับ มีใครจะ <c oughs> ถามอะไรท่านไหมเพราะว่าอาจารย์คิดว่าท่านท่านเทศดีว่าพระไทยมาก <c oughs> พระไทยน้ท่วมท่งเข้า <c oughs> ใจไหมภายในห้านาทีท่านท่านเข้าประเด็นเวลาเรียบร้อยละ <c oughs> มีใครจะแลกเปลี่ยนกับท่านไหมถ้า ม, มีเจเลยทอนเชิญไช <c oughs> ่ครับท่านขาสาร Um, so wouldn't the monk, the monk who carried the woman, mm -hmm. be um, abbot, which is like uh, cut out of the monastery? <laughs> I let this question go. Make it e a m a a เ, เรื่องนี้เป็นนาบาัตรไหมก็เป็นแต่เป็นนามบัตรเบาเพราะเจตนาไม่ใช่ปฏิพัทธ์หรือสังวาสเจตนาเป็นเมตตาเป็นช่วยเหลือออื <c oughs> ถ้าจะประบาบนบัติก็เป็นนาบัตรเบาเบาที่เรียกว่าทุกกดถ้าจำไม่ผิด น, นะถ้าผิดก็ขอภอภัยอท่านยกตัวอย่างว่าอื <c oughs> ถ้าในกรณีที่พระกําลังอืเดินทางอยู่เห็นคนข่าตัวตายกระโดดลงไปในน้าและเป็นผู้หญิง ถ้าพระคิดว่าโอ้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพระถ้าไปช่วยจะต้องอาบัตปล่อยให้เขาอจมน้ําตายในรูปที่หนึ่งกัอีรูปหนึ่งพอเห็นปุ๊บกระโดดลงไปช่วยกู้ชีวิตคนไว้ก่อนในสองรูปนี้โยมว่ารูปไหนใช้ได้บบรูปแรกได้รักษาพระวิ น, นัยอแต่ไม่ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ รูปที่หนึ่งนั้นรักษาพระวินัยแบบตามตัวอักษรตามตัวอักษรเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะ <c oughs> นะอันนี้ได้ทิง้งไว้ในอนาะคตก็มีมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ที่นับถือศาสนาจนสุดต่ง <c oughs> นะ <c oughs> และที่คลั่งไคล้ในศาสนาเกิดขึ้นจากการที่เรานับถือตามตัวอักษรโดยไม่ประยุกต์กับสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งในบ้านในเมืองเราก็มีเยอะ จะทำให้เกิดการปกปักรักษาพระวินัยแปะแปะแปะแล้วไม่ขยับเลยไม่ไม่ขยื่นไม่อะไรทั้งสิน้นสุดท้ายจะทำให้เรามีศาสนาที่ตายแล้วคือมีศาสนานะแต่จะไม่มีผลต่อชีวิตและผู้คนเราทำได้เต็มที่คือรักษาของดีนี้ไว้แต่ของดีนี้ก็ทำประโยชน์กับใครได้น้อยมากกับประเภทที่สองคือความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า ถึงแม้จะถูกโลกตีเตียนบ้างแต่เมื่อท่านช่างน้ำหนักแล้วการช่วยคนก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าอันนี้ในพระวิหารท่านก็อนุโลมให้แต่เช่นภิกษุรูปหนึ่ง <c oughs> เห็นแม่ตกนะ้ำรูปหนึ่งบอกไม่ได้ไม่ช่วยจับผู้หญิงเป็นสังฆาทิเศษเป็นนำบัดหนักรูปหนึ่งโดดลงไปช่วยและทำในใจไว้ว่าเรา <c oughs> ไม่ได้ช่วยผู้หญิงหรอก <c oughs> เรากำลังช่วยสิ่งมีชีวิต นี่อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อยู่อันนี้เป็นตัวอย่างปร <c oughs> ะเด็นเรื่องอย่างนี้เราต้องไม่ตีความตามตัว อ, อักษรเป๊ะนะประเด็นคืออย่าไปมุ่งจะผิดท่านเ่นเมนิทานเรื่องหนึ่งเมื <c> ่อ <oughs> วันหนึ่งอาจารย์ <c oughs> พาลูกศิษย์ไปเดินดูดูดาวเห็นว่าอาจารย์สวยมาก <c oughs> อาจารย์ชี้ให้ดูดู อาจารย์สวยไหมลูกเษดต้องมองตามอือาจารย์ถามว่าเป็นยังไงพระอาจารย์ไม่เห็นเลยเห็นเลยเห็นแต่นิ้วชี้อาจารย์ <c oughs> เวลาอาจารย์ชี้ให้ดูดวงจันทร์ต้องเห็นถึงพระอาจารย์จะไปหยุดอยู่แค่นิ้วชี้ฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้คืออความไม่ยึดติดถือมัน่นนะเราก็ต้องจับแก่นของเรื่องนี้ให้ได้มุ่งไปที่ประเด็นที่ อในิทานเซนเรื่อนี้ต้องการนำเสนอถ้าเราจับประเด็นได้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ืแต่คําถามเมื่อกี้ก็เป็นคําถามที่ดีทําให้เราอืคือมึงแง่มมของเทราวาสะเทราวาสเราจะเน้นอืประเด็นพระวินัยมากทําให้เรามุ่งรักษาพระศ า, าสนาแต่เช่นเดียวกันนี่คือจุดแข็งและมันก็เป็นจุดอ่อนด้วยเรามักจะพระวินัยมาทะเลาะ ก, กันใช่ไหมาะพูดเรานี่เก่งมากนะ จะเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ขพระวินนยมาทะเลาะ ก, กันจะมีทุกปีมีอย่างนี้ทุกปีนี่เพิ่งเข้ามาสองอาทิตย์เองนะเดือนม ก, กราเนี่ยยุ่งไหมวงการาศาสนายุ่งไหมยุ่งมากอ่าะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเรื่องปล่อยวางบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางอาจารย์จะลองเล่าฉบับกระทัดรัดให้ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านท่านเทศตามตัว อ, อักษรอนืนี่ลองเล่าใหม่ ท่านตันซานผู้เป็นอาจารย์กับท่านเอเกโดผู้เป็นลูกเสดกำลังเดินทางไปทำธุระในเมืองเผอิญ <c oughs> ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกหนักน้ำจ่งลองไปทั่วพอเดินมาถึงสี่แยกท่านอาจารย์และลูกเสดคู่นั้นก็เห็นว่า <c oughs> มีหญิงสาวคู่หนึ่งเนี่ยดินตะร้าระังอยู่หัวมุมนองนอนจะข้ามก็ไม่ข้ามกลัวชุดกิโมโน จะเปรียก <c oughs> ทันใดนั้นอาจารย์ก็เดินฉับๆก็ไปอุ้มหมับเลยมานี่ลงมากระดุงพ่อเลยนะอุ้มหมับแล้วก็กระเตง ม, มาวางไว้อีกฝั่งหนึ่งอีกีโดซึ่งเป็นลูกเศษยืนมองเป็นไก่ตาแตกเกิดอะไรขึ้นยมเห็นอย่างที่ธรรมาเห็นไหมเมื่อกี้หลวงพ่อ่ะอุ้มเธอใช่ไหม แล้จากนั้นหลวงพ่อก็ไปทำธุระเอคิโ ด, โดก็ตามไปสวดมรฉันเพนเสร็จกลับมาวัด <c oughs> ถึงวัดหลวงพ่อหลับแต่หัวค่ำลูกศิษย์หลับไม่ลง <c oughs> <c oughs> จนตีหนึ่งตีสองตัดสินใจรวบรวมความกล้าไปเคาะประตูท่านอาจารย์ <c oughs> อาจารย์เปิดประตูมาในสภาพง่วงเงี่ยหลับสบายมากลูกศิษย์ถามหลวงพ่อ <c oughs> ถ้าเราไม่ควรจะแตะต้อมผู้หญิงซึ่งมันเป็นเรื่องอันต ร, รายและเป็นอาบัติแต่ที่ผมเห็นเมื่อกลางวันเนะี่ยหลวงพ่ออุ้มจำอะไรนะห <c oughs> ลวงพ่ออธิบายด้อยเถอะหลวงพ่อก็บอกอ้อเรื่องท่านเองเหรอเราเนี่ยอุ้มเธอเมื่อตอนกลางวันแล้วก็ได้วางไปแล้วนี่มันตีสามเธ อ, อังอุ้มอีกเหรอเคลียร์ไหม ชัดนะชชดเอาอีกสักเรื่องเมื่อคือแบบเซ็นนะไม่ต้องบอกลงหน้า เรื่องนี้ชื่อเรื่องชาหนึ่งถ้วยนะครับนอนอิน Japanese m a s t e r during the Meiji area น a นอิน hmm. นเป็นเหมือนกับอาจารย์เซนในช่วงของช่วงของ What Meiji ในช่วงของเมจิยุคเมจินะ Received the university professor who came to inquire about Zen เขากําลังอาจารย์คนนี้กําลังต้อนรับศาสตราจารย์คนหนึ่งที่มาถามเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเซนนะครับนันอินเสิร์ฟ e านันอนิก็เอาชาเสิร์ฟให้กับศาสตราจารย์คนนี้ he poured his visitor's cup full ครับนันอนิก็เทชาให้กับศาสตราจารย์คนนี้จนเต็มนะครับเต็มถ้วย and then kept on pouring แล้วก็ยังเทอยู่นะฮะจนชาล้นออกมาจากถ้วย The professor watched the overflow. าจานนี้ก็ดูชาที่มาจากถ้วยนะครับนั่งดูมัน until he no longer could restrain himself. จนทนไม่ไหวแล้วนะฮะองใจเหมือนท่านเอิโดว่าอยากจะถาม It is overflow. ท่านไม่เห็นเหรอว่าชากลังล้นถ้วย No more will go in. No more. Sorry. No more will go in. ไม่มีชา ที่จะเข้าไปได้อีกแล้วมันล้นออกมาแล้วท่านไม่เห็นเหรอ like this cup said นันเองท่าน น, านันเองก็เลยบอกศาสตราจารย์อนนั้นว่าเหมือนถ้วยถ้วยนี้เลย you are full of your own opinions and speculations ท่านศาสตราจารย์เองก็เต็มไปด้วยทัศนคติความคิดและความรู้ของท่านเอง how can i show you sin ท่าข้าจะแสดงปรัชญาเส้นให้ท่านดูได้อย่างไร On the first empty your cup ถ้าท่านยังไม่ทําให้ถ้วยของท่านว่างเปล่าเสียก่อน This is a story about open your mind เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดใจนะฮะสอนให้คนเราเปิดใจตอง Stay in your opinions and speculations, o p e n your mind to get new input. เ p e n your o e t p t e n your mind to get new input. y o u e t t i o new o m e t n y u e t i o n ธรรมดาของนิทานเซนเนี่ยตำลักแล้วท่านจะไม่อธิบายเลยเพราะ อ, อะไร <c oughs> เพราะต้องการให้คิดเซนก็คือชาญชาญในภาษาจีนเซนในภาษา ญ, ญี่ปุ่นชาญในภาษาบาลี <c oughs> ฉะน้นหลนกการสอนแบบเซนเนี่ย <c oughs> เมื่อเมื่อสอนด้วยโกอันคือนิทานปรัชญาธรรมะอย่างนี้แล้วเน่ รู้เรื่องก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เช่นอาจารย์บางคนเดินเข้าห้องเรียนมาอืวาดวงกลมทิ้งไว้แล้วก็เดินกลับออกไปลูกศิษย์ก็นั่งรอหนึ่งชั่วโมงคิดว่าอาจารย์ไปห้องน้ําปรากฏอาจารย์ไม่มาเลยเสร็จแล้ววันนั้นอนะวาดวงกลมวงเดียวรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้รนี่คือเส้น เ, ออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าคนสนใจนั้นมักจะมีโลกกััดที่ <c oughs> ขับแคบยึดติดถือมัน่นเ <c oughs> มื่อเราได้เรียนได้รู้อะไรก็ตามเราก็มกักจะคิดว่าอันนั้นนะเป็นความจริงสุดท้ายที่ทอยู่ในมือเราน้อยคนจะมีหัวใจที่เปิดกว้าง <c oughs> โดยเฉพาะในสังคมไทย สังคมใดนั้นเป็นสังคมที่ไม่ชอบการกทกแถลงไม่ชอบความเห็นต่างและกลัวกลัวคนที่คิดต่างด้วยบางทีเราก็มองว่าคนที่คิดต่างออกจากเก้าราวแต่ในพุทธศาสนานั้นเรายอมรับอืความเห็นต่างความคิดต่างความเชื่อต่างว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดฉะนั้นกรณีเช่นีเรื่องนี้เนี่ยท่านเล่าให้ฟังอืตัวละครเป็นศาสตรเซอร์ธรรมดาของคนเป็นศาสตราจารย์ <c oughs> ในหัวย่อมมีของเยอะมีของเยอะแล้วไม่พอยังเป็นคนเยอะด้วย <c oughs> ถามท่านละภาษาไทยเดี๋ยวนี้มีศัพท์เกิดใหม่เรียกว่าเยอะภาษาอังกฤษแปลว่าเราท่านบอกว่า over the top <c oughs> คนเยอะ <c oughs> คนเยอ ะ, <c oughs> ค, นยอะ <c oughs> คนที่มีของเยอะก็มักจะเยอะกับคนอื่น <c oughs> ภาษาไทยโบราณเรียกว่ารู้มากก็เลยยากนาน ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆพระมาเทศว่าไม่ไปแล้วก็ไม่ฟังด้วยเพราะอะไรรู้อยู่แล้วืราจะเทศอะไรไม่จาเป็นคนอย่างนี้เวลาจะตายชอบนิมนต์พระ <c oughs> <c oughs> นิมนต์พระไป <c oughs> เราเนัิงจริงให้ฟัง <c oughs> ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปปีที่แล้วนี่แหละ <c oughs> อาจารย์แม่คนหนึ่งก็ จะสิ้นแล้วให้ลูกนิมนต์พระอ า, าจารย์ไปอาจารย์ก็ยุ้อหยุดไม่ไปคืนนิมนต์วันนี้ให้ไปพรุ่งนี้ไปโปรดที่โรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพเนะี่ยะอาจารย์ก็บอกลูกลงว่าอยอมจะให้ไปได้ยังไงตามหลักต้องนิมนต์ลงหน้าหนึ่งปี <c oughs> ให้แม่รอก่อนได้ไหม <c oughs> ไม่ต้องตายมาแล้วปีนี้ <c oughs> นิมนต์วันนี้เอาพรุ่งนี้เนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไง โยมก็ไม่ยอมอ่คุยกันทำไมแล้วต่อรองทั้งวันสุดท้ายก็พูดมาคําหนึ่งพระอาจารย์แม่นะอื <c oughs> ดูทีพระอาจารย์ทุกเชา้าเวลาพระอาจารย์ออกช่องเจ็ดทุกเชา้าแม่จะประนมมือถ้าพระอาจารย์เทศแม่จะเจ้าค่ะค่ะอยู่คนเดียวแม่อาจอ <c oughs> ทํำอย่างเงี้ยมาเป็นปีๆแล้วเขาก็บอกแล้วพระอาจารย์คิดดูเถอะนี่โอกาสสุดท้ายที่โยมจะได้ทําเพื่อแม่ และแม่จะได้พบพระในดวงใจพอฟังนี้พวกเราก็เยอ้อุดอุดตั้งการสูงมาตลอดอาจารย์ขอให้คิดฮะไม่เห็นแกโยมก็ได้เพราะโ ย, ยมยังยังวัยรุ่นอยู่แต่เห็นแกแม่แต่แม่แมเป็นอาทิตย์แกลาสรงเต็มทีลูกล้อมหน้าล้อมหลังเป็นสิบคนไม่ถามหาถามหาพระอาจารย์ ซึ่งคนไทยก็ไม่รู้เรี๋ยวพี่ๆน้องๆก็มันใจพ่ออาจารย์กันหมดเพราะเราล้มหน้าล้มหลังดิ้วแข้งดิ้ขาแม่ไม่เพ้อหาไม่เพ้อหาท่านบอกอาจารย์มาเถอะค่ะขอเถอะนะคะแม่หนูไม่ได้ตายหลายครั้งก็จะพูดกันขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วอ่ะนั่งเครื่องมาเลยพอมาถึงก็ตรงดึงขึ้นตึกไปพอไปถึงปุ๊บหลับอยู่ ก็ให้ลูกปลกแม่พระมาแล้วลืมตาขึ้นมาลูกก็เลื่อนปิดเตียงให้ขึ้นมานั่งแม่จำได้ไหมนี่พระที่แม่อยากเจอก็จำาจะยิ้มฉเขกาไปยัยจำได้ไหมจำได้ท่านสมพูรณ์ ก็จะมาคิดในใจแน่เอาหมอนกินหน้าคนแก่คนนี้ฉันมาเพื่อเจอสิ่งนี้เนี่ยดูทำกันก็นกไม่ยายอาจารย์ทิ้งงานที่จอวเรื่องแน่หนึ่งตีปาบนี้จะภาบ ต, ตัวไปแล้ว รประกาศใา้นังหวัดท่านโมจะมาตอนนี้แม่จะทิ้งเลยเพื่อมาอยู่กับยายในนาทีเช่นนี้ยายบ อ, ก, อกสักครั้งมาพารูปนี้คือใครลุงสาวกันซิบที่หูกระซิต่อแน่เลยไม่เลยละถ้าผิดการเมียนเดินออกแน่ น, นอนระยยก็บอกค ทนว่านบ่าเจ้า่ะกลัวแล้วก็นอเนี่ยอืพระาจารย์ก็ก็เลยได้มาเราก็เลยเลยต้องทิ้งคือเรารับ้านไปบางครั้งเราก็ต้องทิ้งเราก็ต้องมายึดติดมากเกินไปแล้วเรามาอย่างเงี้ยโดนยายทาเป็นลืม มันประทะอัตตาเราอย่างไรงตั้งโอ้โห้วยน้ำชากระชอกเลย <c oughs> ใช่ไหมพ <c oughs> วกเราก็ถูกรินมาจนล้นเหมือนกันไง <c oughs> ใช่ไหมถูกรินมาจนล้นนะ <c oughs> พอเจอคนที่จาไม่ได้เนี่เกิดอาการช็อกทางวิญญาณ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก <c oughs> เพราะอะไรเมื <c oughs> ่อเราไปไหนเจอแต่คนที่ชื่นชม <c oughs> วันหนึ่งเราเจอคนที่จำเราไม่ได้ หน้าตาข้างในคืออีโก้เนี่ยมันแตกพลุกระจายมองหาหมอนจะมาปิดหน้าใหญ่เราเห็นอีโก้มันขุ่นไปกันนะคือ <c oughs> ไปที่ไหนหนยโหเจอแต่คนรุมถ่ายรูปขอลายเซ็นบางคนก่อนได้ก่อนไปแล้วนะเออแล้วคนนี้คนคนนี้เราก็ทิ้งงานทั้งหมดเพื่อมาหาเขาแล้วเขาจะบอกว่าจําไม่ได้ <c oughs> มันยิ่งกว่าไม่ทันเซ็นนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่ก็เป็นเดินที่ดีมากเอการยึดติดถือมันในสิ่งที่ตัวเองมีมันเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้อย่างยิ่งเราทุกคนต่างก็มีน้ำชาที่ได้รับการเดินมาแล้วครึ่งถ้วยค่อนถ้ว ย, วยและเต็มถ้วยบางคนหล่นถ้วยฉะนั้นถ้าเราอยากเป็น <c oughs> บุคคลในาการเรียนรู้เนะี่ยเรางคิดเสมอว่าเรา เป็นถ้วยชาที่อย่างว่างเปล่าอยู่ดีสุดคือว่างเปล่า <c oughs> หรือไม่งั้นก็เอาสักครึ่นถ้วยก็ได้คำว่าว่างเปล่ามันก็เป็นความหมายที่ซุ่มเสี่ยงอยู่กำกึง่งระหว่างคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแ <c oughs> ต่รู้แต่ว่าแส้งโง่ <c oughs> แต่แส้งโง่นี้ก็อันตรายมากเพราะแส้ใบ่อยๆ บ, บางทีมันเลยเถิดมันโง่จริงๆ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องที่มีเนย้อที่ลึกซึ้งมาก เรามักจะมีน้ำชาของเราอยู่ในถ้วยเสมอทุกๆคนที่นั่งตรงนี้ต่างคนต่างก็มีน้ำชาบางคนก็ชาจีนบางคนก็ชาฝรั่งบางคนก็ชากรีบางคนก็ชาศรีลังกาบางคนก็ชาอินเดียบางคนก็ชาที่ถูกในบางไทยชาว่าเวีชากาแฟโดยชาโน่นนี่นั่นทุกคนต่างก็มีน้ำชาของตัวเองที่ได้รับกันดิ้นเอาไว้แล้วตั้งแต่เกิดมาในพ่อแม่จะรินน้ำชาให้เราก่อนคือน้ำชาอะไรคำสอน ก็จะมีชุดคําสอนของพ่อของแม่ไปมาไลายัยไปโรงเรียนเราครูบาอาจารย์ก็ริมใส่เราเอกีกอย่างเช่นประวัติศาสตร์ต่างๆทุกวันนี้เรายังใช้ข้อมูลเก่าอยู่คนไทยยังมาจากเทือกเขา อ, อันไตยอยู่ใช่ไหมนีม่คือข้อมูลเก่าๆของเราที่เราได้รับมาพอจะเปลี่ยนพว๊บมันไม่ไหวแล้วตอนนี้อย่างคนไทยเรียนเรื่องออืภาษาอังกฤษตัว เอชเราออกเสียงเป็นเฮ็ดตอนนี้มันเฮ็ดทั้งประเทศมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่ไหมอะไรก็ตามถ้ามันถ้ามันเทียนไปแล้วเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนทีหลังเนี่ยมันยากมากนะอย่างค ม, มานาคมเนี่ยคนไทยรุ่นหนึ่งก็ออกเสียงว่าคมนาคมใช่ไหมนะพอรัชบดินให้ออกเสียงว่มมาคมนาคมนายจ้างให้ก็ไม่ออกฉันจะเอาอย่างเงี้ยเพราะฉันออกเสียงมาจนฉันจะแก่ตา ย, ยู่แล้วนะสัปดาห์้คนรุ่นเก่าออกสัปดาห์ใช่ไหม หรือสมดุลเราก็ออกสมดุลมาแต่ได้แต่ไรใช่ไหมเมื่อหลายปีก่อนบัณฑิตราชบัณฑิตบอกว่าให้ออกสมาดุลบางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเพราะอะไรเพราะชามันมันอยู่ในถ้วยมานานมากเห็นหรือยังฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราอยากเป็นบุคคลในการเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่เยอะมันดินชาทิ้งบัางอย่าให้มันเต็มนะในทางพุทธการมีพระรูปหนึ่ง <c oughs> ที่ท่านดินชาซะเต็มถ้วย overflow คือเต็มไม่ห่อนั้นลนด้วยลนด้วยอืท่านชื่อชนะชนะนั้นเป็นฆ่าเก่าเต่าเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้านายบวชก็บวช ด, ด้วยพอบวชมาแล้วไม่ฟังเทศไม่เรียนธรรมะห่มผ้าเรียบร้อยจีวรไม่อิ่มรีดเรียบร้อยทุกวันจะเป็นนั่งอยู่ที่หน้าวัดเชตวันที่พุทธเจ้าพำนักเป็นปัจจุบันนี้ก็าเรียกว่าเป็นนั่งอยู่ที่คอเซ็นเตอร์ เ <peach> ยอะแอกอยู่ตรงนั้นเยอะคอยรับแขกแขกไปใขรมาก็แอกอาร์ให้ดูว่าเราเนี่ยเป็นคนจูงมา้าถวายถึงได้เสด็จออกมาพา น, น์อดได้เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราเราเนี่ยมาทีหลังไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกพวกคุณนี่ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ คุณควรจะรู้ไว้ที่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันนี้เราเนี่ยไปโค้นจูมาถวายมีเคยรู้บ้างไหม <c oughs> หลังๆมาพระพุทธเจ้ามีโรคเศรษที่มีชื่อเสียงเช่นพระสารีบดุลพระโมคคัลลาพระอนุรุพระอนะอนท์พระชนะก็จะบอกว่านี่จะบอกให้เลยนะอย่างท่านพระสารีบดุลเนี่ยเป็นพระเด็กๆเกพิ่งบวชไม่นานดูสิตอนนี้มีชื่อมีเสียงขอโทษเห็นหัวเราไหมนะ <c oughs> ท่านพูดอย่างนี้และไม่ยอมฟังพระพุทธเจ้าเทิดยมเชื่อไหมอยู่กับพระพุทธองค์จนกระทั่งท่านประเรทนิพานไปไม่บรรลุอะไรเลยนอกจากความภูมิใจนะนอกจากความภูมิใจเก่าๆของท่านอยู่ในโลกใบเก่าๆของท่านในขณะที่พระพุทธองค์นั้น <c oughs> ในขณนะที่เจ้าชายศรีธารนายเก่า น, น, นั้นได้ลอกคราบ จากความเป็นปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นอริยบุคคลเรียบร้อยแล้วตัวท่านเองยังอยู่ในคราบเดิมๆของความเป็นปุถุชนแต่ถึงกระนั้นท่านก็ภูมิใจมากมมเมื่อพระพุทธองค์ได้สิ้นไปก่อนเส้นพระพุทธองค์สงสารมากอืจึงสั่ง อ, อนอนท์พระอนนท์ว่าอนอนทอออ์เมื่อเราล่วงละไปนนะ ม, มีเรื่องหนึ่งที่เราจะฝากท่านคงทั้งคงเป็นห่วงมากนะ คือดังในเรื่องที่จะฝากเยอะแต่นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่พระพุทธองค์ฝากเมื่อเราล่วงไปเนี่ยช่วยแจ้งคณะสงฆ์นะคณะสงฆ์ทั้งหมดไม่ต้องไปยุ่งกับท่านฉันนะท่านจะทำอะไรให้ท่านทำท่านจะฉันให้ท่านฉันท่านจะไปบินทาบาทให้ท่านไปท่านจะทำอะไรก็ปล่อยท่านอัปทูยูไม่รูงไปยุในคาสังเสีย อืมพอถวายพระเพลิงพระพุทธเสดระเสร็จปั๊บพระสงฆ์ก็แยกย้ายกันไปไม่มีรูปไหนเห็นหัวพระชนนะแม้แต่รูปเดียวก็เหมือนกับว่าอืมเจ้าที่จากนี้มันไม่มีฐานแล้ว่ะพอพระพุทธองค์อยู่ท่านก็สําคัญทีนี้อถวายพระเพลิงพระพุทธเสดระเสร็จปั๊บทุกคนไม่มีใครมาเห็นท่าน <c oughs> <c oughs> นานเป็น เ, นเดือนท่านเลยเอะใจวเนี่ ก่อนหน้านี้ตอนตอนพระพุทธองค์อยู่ยังมีคนมาขอนําบัตรขอลายเราบ้างแล้วเดือนนี้นี่ทำไมมันเงียบได้ขนาดนี้ม <c oughs> วันหนึ่งเจอพระอานอนท <c oughs> ์ก็ถามพระอนอนท์ว่าเอ้ยทาไมมันมันผิดปกติทําไมร a t i n g ผมตกขนาดนี้นะ <c oughs> ท่านอนนท์ท่านอน <c oughs> นท์ก็บอกอ้อเราลืมไปก่อนแต่จะดับขันทัพเรนนิพานเนี่ย พระพุทธองค์ได้สั่งเอาไว้ว่าเอาท่านอยากทําอะไรก็ทำออํำคณะสงฆ์จะไม่ยุ่งด้วยถ้าการนี่คณะสงฆ์ไม่ยุ่งด้วยอย่างเนี้ยอืพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นการลงพรหมมาทันพรหมมาทันแต่ว่าการลงโทษอย่างพรหมลงโทษอย่างพรหมคือลงโทษอย่างผู้ดีลงโทษอย่างผู้ดีคือไม่ใช้ความรุนแรงเป็นการลงโทษที่เรียกกันว่า อหิงสาสัตยาเคราะห์แบบคันทีเป็นการลงโทษติเล่นกับจิตสำนึกโดยเฉพาะถ้าจิตสำนึกดีก็จะรู้ตัวถ้าจิตสำนึกบกพร่องก็ไม่รู้วัดกันไปเลยอพอพระฉันนะได้ฟังอย่างนี้ปั๊บเนี่ยท่านสะเทือนใจมากท่านบอกบอกกาเตงว่าคนที่เรารักที่สุดเคอพระพุทธเจ้ายังสั่งลงโทษเราแสดงว่าเรานี่มันเหลือเกินจริง สลบไปวันนั้นหนึ่งวันสลบสามรอบสะเทือนใจหลังสะเทือนใจครั้งใหญ่เข้าไปหาพระอนนท์ขอโทษท่านบอกว่าขอโทษที่ผมเอาแต่หลงตัวเองมัวแต่ยึดติดถือมัน่นในความเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงจนพระพุทธองค์ก็โปรดไม่ได้ท่านอนนท์จากนี้เป็นต้นไปท่านยะได้ทิ้งกระพริบ ขอได้โปรดเถิดผมเถอะสอนผมเถอะผมจะรับเอาไว้ทั้งหมดอืพอท่านปวดใจอย่างนี้นะ <c oughs> ท่านดินดินชาในถ้วยของท่านทิ้งเหลือถ้วยว่างฉะนั้นพระนอนก็สอนกรรมอาหันต์ภายในหนึ่งเดือนท่นั้นบัตลุงธรรมเป็นพระอรหันต์อีกหนึ่งองค์พวกเราเห็นแล้วอย่างดอกไม้ดอกนี้มันพร้อมจะบานอยู่แล้วมันตูมอยู่ตรงนั้นแล้วละ่ะ <c oughs> เพียงแต่ว่าเขาไม่ปวดใจรับแสงตะวันน่ะ เขาเป็นบัวตูมอยู่แล้วนะที่ตามพระุทธเจ้ามานี่คือใกล้ชิดขนาดนั้นเนี่เป็นโบตูมอยู่แล้วนะโผล่พลังมาแล้วด้วยเ <c oughs> พียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นแสงตะวันสาดมาต้องเขาไม่เปิดใจรับทีนี้พอเปิดใจรับปั๊บแสงพระธรรมสาดมาปั๊บหนึ่งเดือนเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ฉนั้นศักยภาพที่จะตื่นรู้มันมีอยู่ในตัวเราทุกคน่แต่ถามว่าทำไมอมคนบางคนถึงตื่นรู้ได้เร็วคนบางคนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้อะไรอันนี้แหละ เพราะน้ำชามันห่อนถ้วยฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเทออกสักครึ่งค่นนะแต่ละคนนะใครรู้อะไรมาใครคิดว่าตัวเองดีๆอะไรทิ้งซะบ้าง <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่ดีมากสอนให้เรานั่น <c oughs> ทิ้งชาไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้ทิฏฐิทุสฎีฐานข้อมูลที่เราไม่ยู่ลกระดัทัศนคติ แต่ความหมายที่ลึกซึ้งมันหมายถึงตัวกูของกูที่เรายึดเอาไว้ว่าเราเก่งเราเจ๋งเราแน่แหละ <c oughs> เหมือนพระอาจารย์เดินคุณยายซัดแห่นะจำไม่ได้เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากบางครั้งเราก็ควรจะโดนตบจนหน้าหันทแดงแบบนี้เพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาจะได้หายึดติดถึงมันเื้าตัวความยึดติดถึงมันได้มันต่รายมากนะถ้าใครมีทุกข์เลยนะ ฉะนั้นเราต้องหัดปล่อยหัดปรงให้ได้ปีก่อนพระอาจารย์ไปเทอที่ปารีสมันหนาวมากพระอาจารย์ก็สวมหมวกอย่างเงี้ยเต็มยศสวมให้ดู <c oughs> สวมทั้งหมวกคลุมทั้งผ้าห่มกันหนาวอย่างนี้เที่ยเสร็จพระอาจารย์ก็ญาติโยมก็พาไปดูพิพิธภัณฑ์โลฟไปดูภาพโมนาลิซาพอไปดูภาพ ดูภาพเสร็จแล้วพระจารย์ก็เดินออกมาไปเข้าห้องน้ำผู้ชายสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้หญิงวิ่งมาเรียกพระจัรย์มาดามมาดามคำที่เซ่อเรากำลังจะเข้าห้องน้ำผู้ชายมาดามอะไรคะคุณมาดา d เอเหลือเราคนเดียวมองซ้ายมองขวาสงสัยจะเป็นเราคำที่เสื่อ please l a เออ มันเลือกเราจากห้องน้ำผู้ชายไปเท่าห้องน้ำผู้หญิงเขาก็ใจว่าเราเป็นเลยดิพราการแต่งตัวของเราเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมเขาดูไม่ออกอ่ะเอาผู้หญิงก็ผู้หญิงก็เลยต้องห้องน้ํำผีอาจารย์ก็นี่คือไม่จะติดถมันนม่งั้นเป็นทะเลาะกับเขาใช่ไหมเออผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรหรอก เราต้องปรับตัวนะไปอยู่ต่างประเทศออืมต้องปรับก่อน <c oughs> อีกครั้นหนึ่งไปอเมริกาไปกับท่านเจ้าคุณพระผู้ใหญ่อืมระดับรองสมเด็จพระอาจารย์ก็ไปเทสที่ทีเอืมแล้วก็จะไปที่เนวดาดืมนั่งรถไปอืระยะทางมันยาวไกลเหลือเกินพอไประหว่างทางต้องแวะฉันเพลนโยมที่ดูแลก็บอกเออท่านท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ ท่โห่เจ้าค่ะพระทุกรูปหรูปนี่มลไปนั่งในสุดเลยนะคะเดี๋ยวญาติโยมจะไปจัดหาอาหารมาให้นะอญาติโยมก็ไปถึงก็ไปถือถาดแล้วไปตักอาหารคนละถาดคนละถาดคนละถาดสักพักหนึ่งโยมก็หนึ่งไปโยมไทยสีคนแต่และคนถือถาดสองสาอันน่ะพราจะตักถวายพระพอไปถึงผู้จัดการร้านบอกว่าอืมคุณทําอย่างนี้ทําไม ถว า, ายพระไทยเจ้าค่ะเจ้าคุณรองสมเด็จพระรังถามอะไรคือรองสมเด็จอาตมานั่งอยู่ไกลสุดได้ยินเสียงด่าลูกนี่ภาษาอังกฤษเทียกันอยู่สิบ น, นาทีสุดท้ายคนยอมคนเดิมก็ะเบิดอ๋อพ่อเจ้าคนเจ้าค่ะไม่สำเร็จเจ้าค่ะอธิบายแล้รเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่า U.S. citizen กือทุกคนที่นี่เป็นประชาชนหมดไม่ไม่มีใครเหนือกว่าใครเขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือสมเด็จอะไรคือพระผู้ใหญ่อะไรคือพระผู้น้อยสุดท้ายเราพวกโรคเดินไปนั่นลองสมเด็จถือถาดก่อนหน้าทำามพวกรูปถือถาดเองตากเองฉันเองดีนะไม่ใช่หลังเอง แต่สำหรับอัตมาซึ่งชอบเลี้ยงทานเซนอัตมาว่ามีควาสุข ม, มากเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะทําเช่นนั้นได้เพราะเพราะที่สํานักเราสอนกรรมฐานการหลังจานด้วยตัวเองเป็นเรื่องปกติมากแต่ในกรณีที่เป็นท้าผู้ใหญ่มากๆที่ลูกศิษย์จะถวายความสะดวกตลอดพระเนเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ท่ทานช็อกอ <c oughs> ืท่านฉันไม่อร่อยท่านตักไปท่านบนไป <c oughs> ท่านบอกว่าครั้งเดียวก็เกินพอ <c oughs> แต่เราจานอร่อยแม้ว่าเราเป็นผ้าเด็กๆ เ, เราชาเราไม่เต็มถ้วยไงใช่ไหมของท่านมันเต็มเพจะน้นน่ะท่านก็เลยท่านก็เลยลําบากใจ <c oughs> บางครั้งเราต้องอยู่ในจุดที่ไม่มีใครมาเทคแครมาดูแลเราขนาดนั้นซึ่งการเราต่างประเทศเช่นนั้นมันจะสอนเราได้ดีมากบางทีเราอยู่ในจุดที่เราเราคาดการได้ว่าอะไรดีๆมันจะรอมเน้ารอมหลังเราอยู่ใช่ไหม เช่นเราอยู่เมืองไทยเนี่ยยมทำแทนทุกอย่างคือ้าต้นข้าวได้โยมทำแล้วนะเอาอาหารมาถวายเนะยยังไม่กราบยังเั่นลุ้นจะฉันไหมฉันของใครทีนึงก็เฮพระไทยถูกเอาใจก็จะเคยตัโพอไปอเมริกาข้าวนั้นอาจารย์รู้สึกว่าหอนมันสุดยอดของตุรกีอาจารย์ยังจำได้จนทุกวันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เห็นจะว่า จะคนณลองสะเบ็ถือตัดแล้วก็ตักเองตักผิด ต, ตักถูกคืออาหารแต่และอย่างเนี่ยมันมีคู่ของมันใช่ไหมเอ๋อไอ้นี่มันกินคู่กับอันนู้นะอันนี้มันกินคู่กับน้ำจิ้มอันนี้หลวงพ่อท่านตักมาปนกันไปหมดเ <c oughs> <c oughs> ริ่มด้รู้ว่า <c oughs> เราไม่แน่แล็อกเราก็รู้แค่ธรรมะเท่านั้นแหละหลุดออกไปจากวัดหลุดออกไปจากปากซอยที่เราคุ้นเคยนะอ <c oughs> ืเราก็เป็นตัวประหลาดดีๆนี่เอง ฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้กันไม่หยึดติดถื อ, ถอมั่นอย่างนี้ไว้เสมอเพราะในชีวิตนั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องที่คาดการไม่ได้ปีที่แล้วพระอาจารย์ไปเทศที่สวิสเทศเสร็จเนี่ยท่านก็พาฝรั่งมาฟังสามสิบคนพระอาจารย์ก็ไปเทศอทุกคนท่านก็พอพอใจโอ้ยพอเทศเสร็จปุ๊บดีใจตามทำเนีมฝรั่งก็จะกอดใช่ไหมโผล่เมากอดแต่สามีกอดทรรทีก็โผล่มายุ่งบังเอเลย ต้องอธิบายกันหนึ่งแม่เดีเลยหรอวะพอเราไม่ให้ก่อนเขาก็ต้องต้องการคําอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่คือปัญหาใหญ่มากเวลาไปเมือง น, นอกประเทศเสร็จปุ๊บเขาดีออกดีใจเราก็ผู้ชายก็ก่อนเราขอจับมือจะมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งสูงมากสูงประมาณสักสามเมตรได้พอถ่ายด้วหมูอปุ๊บหน้าตาก็เป็นคนไทยช็อกเพราะเขามือวางบนหัวเรามากเราหนึหกสิบสอง เขาสามเมลเท่งเอวเขามือเขาอยู่บนหัวเราโดนจมูมแล้ว น, นั้นยังไม่พอมือที่วางบนหัวด้กดไลค์ด้วยนะคนได้ชอบทั้งงานนี่จะถามว่าเรารู้สึกไงเรามีความสุขเพรอะไร ม, มันเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนี่คือสุดยอดสำหรับพระอาจารย์นะพระอาจารย์รับเรื่องพวกนี้ได้ มันเป็นเรื่องของธรรมะเ <c oughs> มื่อพูดถึงเรื่องนี้ทำให้เนอนถึง <c oughs> เรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชานี่แหละยกบุกบุ ก, บกท่านไปเทศที่ยุโรปวันนั้น <c oughs> ท่านก็เทศเรื่องลึกเทศเรื่องมิดเดิลเวยทางสายกลางเทศเสร็จ <c oughs> ท่านก็ถามว่า <c> ย <oughs> ูทูบแอปพลิเคชัะใครจะถามไหมคนไทยงงคนไทยงงไม่มีใครถามรูรกติคนไทยก็ไม่ถามอยู่แล้วใช่ม ทัานก็เลยประเมินมไม่ออกว่าตัวหลวคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจพระกระดังเรือนเธอกระงลงอุตสาเทพเรื่องทางสายกลางมาชั่วโมงหนึงนะสักเพีงหนึ่งมีเวรุ่นขี่ปัญจกยานมาสิบคนปัญจกยานผ่านสวนสาธารณะที่ท่านนั่งเทศเวลาเวลาไปเทศบางนอดการเทศในสวน ส, วนสาธารณะเนี่ยเป็นที่นิยมมากพระอาจารย์ไปก็ทําแบบนี้ทุกเปรตใฝกระดังเวร่นยิบหอบมันเดินผ่านมามันก็ยกนุ่กลางให้คณะคนไทยที่ฟังพระกระดังเทศ มนยกนิ้วกลางให้ท่านท่านดิ้คนไทยช็อกเอามือทุบออกอ๋อไอ้แฟนวันนี้ไม่รู้ที่ทาที่สูน่ะท่านก็บอกอย่าไปว่าเขาคนที่ชิวนิ้วกลางเป็นคนที่เข้าใจทางสายกลางดีมากเป็นไหมท่านไม่ยึดติดนี่ยเพราะฉะนั้นบทเรียนต่างๆนั้น เป็นครูที่ดีให้เราได้เสมอจะถ้าเราไปยึดติดถือมัน่นในในรูปแบบเป๊ะๆ เ, เ, เราจะไม่ได้อะไรฉะนั้นพวกเราเปิดใจให้กว้างนะรินรินน้นําชาในทั่วทิง้งซะแล้ยวยโยท่องไปในโลกเหมือนกับคนที่เหมือนกับทั่วน้ําชาที่ว่างเปล่าฉะนั้นโยมจะได้รับการรนินน้ําชาหลากรถจากคนทั่วโลกซึ่ง อ, อาจารย์เองก็ได้รับประสบการณ์ดีๆ เพราะว่าเดินทางไปในที่ที่ไม่รู้จัก <c oughs> ปีนี้พระอาจารย์ไปเจอองค์ดยหละมาที่บอสตันท่านไปเทศที่นั้นพระอาจารย์ก็ได้รับเชิญพร้อมบัตรฟรีหกใบโชคดีมากถ้าไม่มีบัตรฟรีเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าหมื่นที่นั่งเต็มหมด <c oughs> พอรู้ว่าคณะเราไปทางผู้จัดก็ น, นิมนต์ <c oughs> <c oughs> หนึ่งในคำเทศนั้นท่านพูดว่าในหนึ่งปีเราควรไปในที่ที่ไม่รู้จักสักครั้งหนึ่ง ท่านเทวดาเอเป็นช um ั่วโมงพระจันทร์จำประโยคน่ะชอบอ่ะนะสำคัญมากแล้วท่านก็เล่าว่าตอนที่ประเทศท่านถูกรุกรานนั้นท่านออกเดินสายไปทั่วเพื่อให้ใครต่อใครเนี่ยมาช่วยท่านทั้ง u ูเอทั้งอเมริกาทั้งอินเดียจีนโน่นนี่นั่นไม่มีประเทศไหนมาช่วยท่าน ท่านก็ได้บทสรุปว่าที่ไม่มีใครช่วยเราเลยปล่อยให้ประเทศเราถูกรุกรานแบบตีกินนิ่มๆบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนก็เพราะว่าเราไม่เคยไปไหนเลยอืม <c oughs> ท่านบอกว่าอาตมาไม่เคยออกจากประเทศที่แบก ท, ที่แบกคือหลังคาโลกและคิดว่าที่แบดคือศูนย์กลางของโลกคิดว่าทุกสิ่งที่ดีที่สดอยู่ในประเทศตัวเองเรียบร้อยแล้ว และดังนั้นอืพอท่านไม่ออกเดินทางไปที่ไหนเลยคนก็ไม่รู้จักว่ามีประเทศนี้อยู่ในโลกที่เราพูดถึงเมื่อเรื่องเมื่อสีอ่สี่พสิบปีที่แล้วนะผลจากเหตุการณ์คราวนั้นทาให้ท่านตัดสินใจว่าจากนี้ไปเราจะต้องเรียนรู้โลกทั้งโลกแลาเมื่อผ่านพ้นเวลานั้นมาจนท่านได้รับรางวัโลโนเบลท่านพูดว่าเลิกไปเลกมาก็ขอบคุณที่ถูกลุกรานคราวนั้น เพราะมันได้ทำให้ตัณมภะพน้นจากการเป็นพ ล, ลเมืองของท่แบตมาสู่ความเป็น global citizen คือพ ล, ลเมืองของโลกและที่วันนี้ท่านพูดอะไรโลกกระเพื่อมตามท่านทั้งหมดเพราะท่านท่องไปทั่วโลกเห็นืหมนี่คือการทิ้งทิ้งชาที่อยู่ในถ้วยออกทั้งหมดและทำตัวเป็นถ้วยว่างแลวท่องไปทุกคนทุกแห่ง จนกระทั้งตอนนี้ท่านเป็นพระที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกไปที่ไหนในพบสตาคนไหนก็สู้ท่านไม่ได้หรอกท้า ท, ทายไว้ตรงนี้เลยพระอาจารย์นั้นสัมผัสด้วยตัวท่านเองมาแล้วไม่ว่าจะที่อเมริกาหรือที่ยุโรปสนามฟุตบอลสนามใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าท่านไปก็ต้องเต็มทั้งหมดนี่คือนโยบายการริน น้ำชานะ่ะทิ้งแล้วก็ทำถ้วยของเต็งให้ว่างผลคือท่านได้ท่องไปทั่วโลกท่านได้เรียนรู้ <c oughs> จากคนทั้งโลกยเยอะแยะมากมายท่านกลายเป็นสาราลุกกลมของโลกใบนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านเพราะมีสีสันมากและท่านช่วยประเทศของท่านได้มากพ่อะไรเพราะเมื่อคนรู้จักท่านก็ต้องรู้จักรากของท่านคือที่เบตใช่ไหม <c oughs> ท่านได้เทศได้สอนเรื่องที่สำคัญไปเยอะมากมีเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์ประทับใจผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ท่านเพื่อดำสารคดีชีวประวัติเขาถามท่านว่าขอโทษนะครับตอนที่ท่านลีพายออกมาแล้ ว, ลวถูกไล่ฆ่าถามจริงๆในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณท่านกลัวไหมท่านบอกโอ้โคุณก็ถามอะไรทำไมจะไม่กลัว แล้วข่าวเนะี่ยทำแน่แบบผิดหวังมากเขาคิดว่าจะได้ยินคําตอบแบบไม่กลัวใช่ไหมเขาเขาผิดหวังมากก็เลยถามอ่ะคนอย่างท่านเนี่ยเหคนที่ทั้งปรดเทศฝากความหวังเอาไว้แต่เขาจริงท่านก็ยังกลัวอยู่หรอใช่เรานี่กลัวมากอย่างท่านเนี่ยเหรอกลัวตายท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้กลัวตายแต่เรากลัวที่สดุดคือกลัวว่าจะเผอเกลียดศัตรูเขาสักวันหนึ่ง นฟังให้ดีนะกลัวอะไรกลัวว่าจะเกลียดศัตรูคู่อาาตที่ตามทำลายท่านก็เพราะตอบอย่างนี้ไงถึงได้รางวัล โ, โาานเบลสาขาสันติภาพอะ่ะ <c oughs> ต้อให้พวกเราตอบตอบว่าไงอ้ท่านก็ถามอะไรทําไมโยมจะไม่กลียว <c oughs> เห็นไหมเนี่ยนี่คือตัวอย่างของคนที่ได้ทิ้งน้ําชาที่เต็มไปด้วย ปรำประคติตำนานเรื่องเล่าเก่าๆซึ่งเสบกันมาแต่บรรพบรุษและทำตัวเป็นนักเรียนน้อยๆของมหาวิทยาลัยโลกท่านพูดถึงขนาดว่าอืดาราลามะอาจจะสิ้นสุดในยุคของท่านก็ได้ท่านพูดอย่างนี้เลยนะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าความยึดติดถือมั่นในตัวดาลาลามะจะได้ลดลงท่านถึงกับการลาออกไงจากผู้นำทางการเมืองตอนนี้ก็พูดนำทางจิตวิญญาณท่านออกหมด ท่านท่องไปทั่วโลกในฐานะพระรูปหนึ่งจะทุกสองปีท่านจัดสัมมนาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพือพ่อเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างพุทธกับวิทย์นะจนท่านได้เขียนหนังสืออืชื่ออะไรนะเป็นภาษาอังกฤษเป็นจักรวาลหรืออะไรสักอย่างนะในดอกบัวประมาณนี้ดีมาก เป็นไปได้ยังไงผู้นําทางจิตวิญญาณเขียนเรื่องอะตอมเขียนเรื่องนิวเคลียสอเขียนเรื่องทฤษฎีสตริงเขียนเรื่องลึกแต่เพราะว่าท่านแล่เปลี่ยนเรียนรู้ไปตลอดเวลาท่านกลายเป็นพระที่มีความรอบรู้ที่ลึกซึ้งมากโดยเฉพาะยังทางด้นนนานวิทยาศาสตร์นี่ก็คือผลของการรินรินชาในถ้วยทิ้งซะฉะนพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะรินชาในถ้วยทิ้งอืครั้งหนึ่งในในในเมืองไทยเราเนี่ย ตอนนี้หลวงพ่อชาเพิ่งตั้งวัดใหม่ๆเนี่ยวันเึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปงานท่านก็ไปสวดไปฉันต <c oughs> ามปกติพอเสร็จงานแล้วมีโยมคนหนึ่งมาในงานนั้นตกใจมากที่เห็นข้าหลวงพ่อชาไปนั่งเป็นองค์ที่เก้าองค์สุดท้ายเลยอะช็อกมากชาวบ้านไม่รู้จักว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์จึงไปบอกเจ้าภาพเจ้าภาพก็โอ้มาขอโทษท่าน พ่อขอโทษไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันผู้ใหญ่เอาท่านไปนั่งท้ายสุดหลวงพ่อเขาบอกว่าจะหัวแถวท้ายแถวก็ไม่เป็นไรแ ล, ลอกเพชรถ้ามันเป็นเพชรมันก็วันยังค่ําก็เป็นเพชรแล้ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ไม่มีโกรดนี่เป็นการฝึกที่เยี่ยมมาก <c oughs> พ่อะไรถ้วยของท่านมันว่างนี <c oughs> ่ครูบาอาจารย์ของเราท่านประเสริฐขนาดนี้นะถ้วยของท่านว่าง บางครั้งท่านไปอยู่ในที่ที่คนเห็นคุณค่าท่านก็รับไหวบางครั้งคนไม่เห็นคุณค่าท่านท่านก็รับไว้ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่พร้อมจะรับทั้งสองด้านของชีวิตด้านดีก็รับไหวด้านไม่ดีก็รับไว้ด้านที่คนเห็นคุณค่าก็รับไหวด้านที่คนจงเปลียจงชังหรือไม่หเห็นคุณค่าก็ต้องรับไหวเราต้องพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นมาในชีวิตเพราะมันคือองค์ประกอบของชีวิวตคนที่อยากจะรับแต่สิ่งที่ดีๆ จะไม่เติบโตด้านในคนที่พร้อมเฉพาะด้านชื่นชมแต่ไม่พร้อมสำหรับด้านขอมขืนคนอย่างนี้จะมีชีวิตที่จะต้องกลับมาเกิดอีกหลายครั้งเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตส่งบทเรียนมาให้เรียนแล้วไม่เรียนเมื่อเราได้รับบทเรียนใดก็ตามเราเปิดใจเรียนรู้เราฉลาาไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งหน้าเราจะไม่เจ็บใจเพราะเรื่องเดิมเราจะไม่ทุกข์เพราะเรื่องเดิม แต่ถ้าธรรมชาติหรือจักราวาลได้ส่งบทเรียนมาให้คุณแล้วคุณไม่เรียนนะคราวหน้าเขาจะส่งมาอีกคราวหน้าเขาจะส่งมาอีกจนแก่จนเท่าคุณยังไม่เดินเขาก็จะส่งคุณมาอีกแล้วมันจะเล่นงานคุณด้วยประเด็น เ, เดิมๆซ้ำ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนวันหนึ่งคุณจะสว่างโพรงและประเด็นเช่นั้นจะไม่ทําให้คุณทุกข์อีกออฉะนั้นชีวิตที่ดีคือชีวิตที่พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลากับทุกๆเรื่องเนี่ย การที่เราจะพร้อมเช่นนั้นเราทำได้ไงคุณต้องทิ้งทิ้งน้ำชาที่ใครต่อใครรินมาให้คุณนะออกให้หมดมทำให้ถ้วยนั้นมันว่างซะพูดถึงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงประสบการณ์ของตัวเองอปีก่อนที่ยุโรปอนอกจากเรื่องมาดามคัมริสเวและมีเรื่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะขบมากเรื่องนี้ยิ่งไปเทศที่ประเทศไหนค่อยว่ากัน พระอาจารย์ไปเทศหลังจากที่มีซุปเปอร์สตาร์ชาไทยไปร้องเพลงแล้วหอคือหอประชุมมันไม่เต็มแต่พระไปนิดต่ิมนะ <c oughs> เต็มทุกที่นั่งที่ยืนทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเพราะาเรามีระบบแปลสองภาษาคำต่อคำ <c oughs> เทศเสร็จปับ๊บ <c oughs> เย็นวันนั้นเจ้าภาพก็มาที่วัด <c oughs> พระอาจารย์เทศดีเหลือเกินเป็นประวัติการในภาคพื้นยุโรป ที ihn, <S <S ่พระไทยเรามาสร้างไว้ฉะนั้นเราเนี่ยลงความเห็นกันมาพรุ่งนี้จะจัดงานแต่งกิ้วปาร์ตีถวายก็เลยจะนิมนต์พระอาจารย์ไปฉันอาหารอิตาเลียนใกล้ๆพรมแดนประเทศเรานี่แหละนะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ขอฉันเบาๆไปนะเราไปฉันอารุนแบบจัดเต็มอือาจารย์ก็เพิ่มใจเิ ตื่นเช้ามาก็ฉันแซนด์วิชเบาๆตามที่ยอมบอกแล <c oughs> <c oughs> ะยอมก็มารับรถสี่ห้าคันจอดเทียบกันเป็นตักคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นแล้วคุณยายก็หนึ่งก็ไปด้วยคุณยายเป็นแฟนคลับก็ไปด้วยมีย่ามเน่า่อยู่ใบหนังหียวไปด้วย ไม่มีใครอยากให้คุณยายไปผู้คุณยายไม่มีรถแต่คุณยายฉลาดมากไปถึงก่อนแล้วรถแครเปิดคุณยายเข้าไปนั่งข้างในสุด <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาจะออกจากวัดยายไม่ลงใครจะทาไมยายนั่งข้างใน <c oughs> ก็ขับออกไปเดินทางอยู่ชั่วโมงเสศษก็ไม่ถึงสถียจนสิบเอ็ดโมงสี่สิบพระอาจารย์ก็พระอาจารย์เงียบมาตลอด แล้วตลอดทางนั้นตั้งแต่ออกจากวัดพระอาจารย์ก็หลับตาเจริญอนานาปานสติยมข้างหลังคี่มอาตร์าหลับปเปลญนินทายกใหญ่ซิ <c oughs> บเบจิสิ พ, พระอาจารย์ก็เลยตื่นนะ <c oughs> ถามยมใกล้หรื อ, อยังนี่ซิบเบจิสิพลนะยังครับพระอาจารย์เอ้าแล้วมันยังไงทํำไมถึงช้าขนาดนี้พอดีอืถนนปกติมันเกิดอุบัติเหตุ นี่เราเราออกวงแหวนรอบนอกอ้อมมาแล้วเมื่อไรจะถึงอีกสักพักครับอาจารย์สักพักหนึ่กี่นาทีเอประเมินเป็นนาทีไม่ได้พระอาจารย์ <c oughs> แกกเ็เรียงของแกไปนะอ <c> า <oughs> จารย์เออยังไงก็ทําก็เถออะไรที่ว่าดีก็ทําไป <c oughs> ประชดละ <c oughs> คุณคุณละ <c oughs> ไปสักพักสิบเอ็ดห้าสิบยอมใกล้อีกอย่าง <c oughs> เออพระอาจารย์ บอกตามตรงนะครับนี่เราออกนอกเส้นทางปกติครับยมพูดจะชัดหลงใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> สิบห้าสิ <c oughs> ยมพระอาจารย์ว่าจอดทำไมก็ทาใม้ฉันก็คงจะชวดแล้วล่ะ <c oughs> ยมก็บอกพระอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับ <c oughs> ถ้าเวลาที่นี่ชวดผมว่าเรากลับไปใช้เวลาเมืองไทย <c oughs> เ็ <c oughs> เตรียมทางออกไว้ให้ <c oughs> มันไทยเพิ่งเช้าครับพระอาจารย์ยังได้อยู่ครับ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์ก็บอกโยมไม่ได้ถ้าพระรูปืนอาจจะได้แต่พระอาจารย์คงไม่ได้ทำไมเพราะว่ารู้ถึงไหนมันจะอายถึงนั้นโยมจอด แล้วท่านจะทํำยังไงเดี๋ยวทําทงงทให้ดูห <c oughs> ลงข้างทางแล้วเสือไปปูเอาใครมีอะไรเอามาฉันเพราะฉันกินกันตายไปก่อนยมเดี๋ยวไปเลยเพนแล้วมันจะไม่งาม <c oughs> ทุกคนลงมาไม่มีใครเตรียมอะไรเลย <c oughs> บอกให้ลงก็ลงอ่ะไม่มีใครเตรียมอะไรเลยเหรอก็พระอาจารย์เจ้าคะเราสั่งอาหารมาแล้วเต็มโต๊ะ อ่าอิตาเลียนเข้าใจอิตาเลียนนะเขาใจอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่โยมเราพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีใครเตรียมอะไรไหมหยับ <c oughs> คนยายออกจากรถหลังสุด <c oughs> หลวงแซนวิชเน่าเน่าจากยามมา <c oughs> ยายมีอันเนี้ยหลานมันทำให้เมื่อคืนเอาให้ยายถ้าพระอาจารย์ <c oughs> ไม่ว่าอะไ ร, ระยายจะถวาย อาจารย์ก็เลยรับแซนด์วิชมามฉันน้ำขวดหนึ่งก็ไม่มียูฝฟืดัห ม, มฟืดมากจะถามว่ายายมันไม่มีอะไรเลยเหรืออย่างอื่นอ่ะ <c oughs> จะถามมาน้ำ <c oughs> ยา ย, ลยเลยไปเลยครับหยิบน้ำพริกนรกออกมาขวดหนึงกินไปครึ่งขวดอันนี้ทุกครับอาจารย์เ อ, อแซนด์วิชจิ้มน้ำพริกนรก โดียวตุ่ยตเออยายค่อยมีรถมิชาติหน่อยนเจอกันภาวนาเปอรอิตาเลียนฟูดหนอฉันจะหมดไปชดยมฉันหมดเนหมดไปสองคู่ป้าในบ้านยาโยมหนึ่งไปหาปั๊มแล้วก็ซื้อน้ำมาให้จักรันนั่งจิบน้ำเสร็จขึจักรันนั่งโอ้ยโอ้ยอจ่ายสบาย รู้สึกดีกับชีวิตจริงๆคือเราไมเราไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วสักพักหนึ่งโ <c oughs> ยมสี่ห้าคน <c oughs> ก็คลางเข้ามาหัวหน้าก็บอกพระอาจารย์อืเราขอโทษขอโทษจริงๆที่พาพระอาจารย์มาฉันกลางท่ากลางทางแบบนี้เนี่ยรู้สึกผิดกันหมดเลยที่เอาพระที่มีชื่อมีเสียงมามาฉันกลางทางแล้วไม่ได้ทําตามที่บอกไว้ ยังไงก็ขอให้พระอาจารย์อภัยด้วยอืมอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องอภัยไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะต้องขอโทษเพราอแตมาไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยทําไมล่ะเจ้าคะก็เนี่ยแตมาเนี่ยนั่งตรงนี้นั่งฉันข้างทางเนี่ยเอาก้นนั่งไม่ได้เอานั่งนะ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดค่นี้ยอมหาตึมเลยเห็นไหมชีวิตมันง่ายชีวิตมันง่ายมาก ถ้าเราไม่ยึดติดสิ่งที่อยู่ในถ้วยชาของเราโหขนชื่อเสียงตำแหน่งสมบัติพระสถานยศช้างคุณนางพระถ้าเราไม่ยึดพวกนี้นะชีวิตมันง่ายมากคุณนั่งฉันตรงไหนก็ได้ก็ฉันเสร็จยอมก็บอกเจ้าค่ะอาจารย์ไม่โกรธก็ไม่เป็นไรเราก็สบายใจถ้างั้นก็คอยเสกอย่างเงอไปเล่าที่ไหนนะ <c oughs> เราก็เป็นปรบเทศอดเล่าไม่ได้มันต้นแบบเรียนธรรมะด้ดีเหลือเกินดีเกินกว่าจะเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ทาไมมันดีขนาดนี้เห็นไฉะนั้นชีวิตมันง่ายนะถ้าเราทิ้งหัวโนเราซะปล่อยให้ลงปรงให้เป็นแลวจะเย็ยนให้ได้เลยปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นเย็ยนไม่ได้เท่ากับตายผันส่ง ยมจะทุกข์โดยรงที่ไม่ขวัญทุกข์อมจะเยอะยมจะโอเวอร์เดอะท็อปไปไหนยอมจะรู้ครับไปเข้าห้องน้ำนี่มันทำไมกระดาษมันหยาบอย่างนี้ไปห้องน้ำก็ไปด่ากระดาษเขาพอมาล้างมือนี่มันนี่มันน้ํายาล้างมือเหรอเนี่ยทำไมมันล้างครั้งเดียวแล้วมันไม่ออกล้างล้างก็เหมือนไม่ได้ล้างก็ไปด่าเวลาล้างมือเข้าเราจะหาเรื่องด่าได้ทุกๆเรื่องเชื่อไหม ถ้าเราเต็มไปด้วยหอโขนเต็มไปด้วยอีกโก้คนที่มีอิกโก้เยอะๆ อ, อิกโก้จะจั ด, จ, ดจะเรียกร้องทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างให้มาสยบแทบเท้าของเตงยิ่ง <c oughs> และยิ่งเรียกร้องมากเขาจะยิ่งไม่สมหวังเพราโลกนี้ไม่ตามใจใครเลยนะโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจใครเรียกร้องให้โลกมาเข้าใจเองนะไม่มีประโยชน์ดีสุดคือเราต้องเข้าใจโลกแล้วเมื่อเราเข้าใจโลก อืมเราก็เข้าใจธรรมะเมื่อเราเข้าใจธรรมะจากนั้นชีวิตเราเป็นเรื่องง่ายและความเรียกง่ายกับความสุขเขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคนไหนเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอืมคนนั้นมีความสุขง่ายๆแต่คนไหนที่เป็นคนเยอะเนี่รับรองเลยนะคนอย่างเนี้ยจะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายแต่สุขยากเขาจะหาเรื่องทุกข์ให้ตัองได้ตลอดเวลาเช่นบทเรียนที่พระอาจารย์ไปเจอ คราวนั้นพระอาจารย์ชอบมากและพระอาจารย์ไม่เคยลืมว่าคําว่าอาหารอิตาเลียนสําหรับพระอาจารย์มันเป็นสํานวนมันเป็นอีเดิมพิเศษและหลังจากกลับจากทริปนั้นพอเราข้ามพรมแดนไ ป, ไปถึงร้านอาหารสิ่งที่พระอาจารย์ทําได้คือพระอาจารย์นั่งดูโยมกินอาหารอิตาเลียนทุกอย่างที่สั่งมาสําหรับพระอาจารย์พิเศษทั้งหมดและโยมกินแทน ชาดจิบน้ำส้มขันแต่ว่าก็เป็นชีวิตที่มีความสุขดี mm. เห็นไมเพราะเราปล่อยวางหัวโขวนแล้วพื้นที่ของหัวโขวนที่เราถอดทิ้งไปนะจะถูกแทนที่ด้วยความสุขคุ้มที่จะทิ้งไหเราทิ้งหัวโขวนไปเราทิ้งอีโก้ทิ้งอัตตาทิ้งตัวกูของกูไปแลวสิ่งทีไ่ได้รับเติมเต็มคืนมาคือความสุขโยมไม่อยากได้หรอ หลายคนอยากได้ความสุขแต่ไม่ยอมทําพื้นที่ให้มันว่างก่อนคุณจะเอาฮอลงอ่ะแต่คุณไม่มีลานจอดหอมันจะจอดได้ไงคุณอยากมีความสุขอ่ะแต่คุณไม่เคลียร์พื้นที่หัวใจคุณให้กิเลสมันออกไปก่อนความสุขมันจะเข้าไปได้ไงฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลงโปร่งให้เป็นเย็นให้ได้เห็นไหมคําสอนเรื่องเลสอิโกปล่อยวางนี่ไม่ธรรมดานะหนังโฟล์ซินะัน้นนางเอกร้องเพลงนี้ใช่ไหย ืไม่เชื่อกับไปเปิดดูเนี่ยก็คือสิ่งละอนพันละน้อยที่นํามาฝากพวกเราพระอาจารย์ก็เลยขอถือโอกาสอธิบายจากเรื่องมัตติโรสอือเนาอที่ท่านเล่าไปแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเอกภาพอัฟชสองเรื่องก็แก่นคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละอืเนะก็คือการปล่อยวางตัวตนให้ได้เท่านั้นเองเอาละถือโอกาสขยายความมาเล็กหน่อยลืมไปเลยว่าป่วย เป็นด้วยอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันเปล่วปาอืเอาละแ่ก่อนจะรับพรเรานั่งสมาธิเนาะเดี๋ยวท่านพีรเมนพรรมนวีรปัโยศจากสวิตเซอร์แลนด์จะสอนนั่งสมาธิพวกเราทำตามท่านนะ Okay. <coughs> Every move we make, we make very slow, and we concentrate on we are, what we are doing. We this is called mindful. So when you lift your arm, you concentrate on this moving. Now, เดี๋ยวทุกกริยาที่เราทำนะฮะเราจะโฟกัสไปที่กริยาของเราร่างกายของเรานะฮะ เช่นเวลาเรายกมือเราก็จะดูมือของเราที่เขาค่อยยกและเราจะทำทุกอย่างอย่างช้าๆและทำอย่างมีสมาธินะครับโอเค i f t your left arm ออมให้เรายกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆนะครับ and move it to the center very slow ให้เนำมือซ้ายมาไว้ที่หน้าตักของเราช้าๆนะ in your mind you can see the hand moving ในใจในจิตของเราเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามือของเรากําลังค่อยๆเคลื่อนที่ now turn your hand over and place it on your legs พลิกมือหงายนะครับแล้วก็วางไว้ที่หน้าตั่ now take your right ha <c oughs> right hand ยก <Lift it. S 1> มือขวาขึ้นมาช้าๆนะครับ Move it to the center slowly. t h n u r n your hand over. n move u hand a l y m a Turn your hand over. t hand o n o a n t l y o u r a y h a t l e h a d o Turn your hand over. n y o u r a l m e y u a e t hand o n l o e o u e n a n d l y m e a y t l o d o n o n l y o u r l e t hand l e t o n e l o n g a u a u t h m u e a o m e a l o l y Feel your body. ค่อยๆกลับมารู้สึกถึงร่างกายของเราอีกครั้งนะครับ Put your hands slowly back on your knees. นมือกลับมาวางไว้ที่เดิมของมัน And slowly open your eyes. Now you can bend and stretch a little bit to feel comfortable. y u d a n a p e a s d a e u r h a d Ang sukito homi, u k o homi, ni tuko h o m a v r o โฮมีโรโฮมีอพยยาปะจโฮมียาปะจโฮมีอานิกโกโฮมีอนิโุกีอตังปะรรามุยีอตังปะรรามีสัเพสัตตาสัเพสัตุตาหตุตาหงตุนิุขหตุ อาเวราหงตุอะไยพัชราหงตุอานิกาหงตุสักยิอาตานัน pariharantu ก็เป็นอันเรียบร้อยนะพอสมควรเก่เวลาจากนี้ก็เชิญตามัธยาศาย <c oughs> <c oughs> ยมจะถวายกันเทศวันนี้ถวายท่านวีรปัญโยนะชายาทานายวีระปัญโยชื่อท่านพิรมิน ยัตตาวาริบาฮาปุระปาริปุรินทริกคันรังสักคันรังเอมาเวมาอิโต้ทินังเปตานังุปปะปะติอิจิตังปะติตังจงหังคิปาเมย์วาสามิชาตุสัพเพปายตุสังขปะจันโตปันนาราสโอยัตตามะนิชติรัสโอยัตา ซาปิทิโอวิวัชันตูซาปารุโควินาสันตูมัตเตปาวาตันทรายโสุขิติคายุโคพาวาอภิวัตานาสิลิสนิจจังบุตาปัจายโนจัตตารตัมมาว a ตันติอายุวนโสุขังปาลัง